ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นัำพีชินาลังการะดีกาแปลพระพุทธรัิคตาจารย์ชาวสีลังการจนาได้กล่าวถึงมหากรณาสมาปฏิยานก็เลยกล่าวถึงอัตถกถาของมหากรณาสมาปฏิยานในปฏิสัมพิธามัตย์ด้วยถึงข้อที่ส1ิบเอ็ด โลกสันนิวาตถูกผูกไว้ด้วยเครื่องผูกเป็นอันมากมหาพันธะนพันโทคือเครื่องผูกคือราคะราคะพันธเนนะโทสะโมหะมานะทิฐิกิเลสทุจริตใครอื่นนอกจากเราผู้จะช่วยแก้เครื่องผูกให้แก่โลกสันนิวาตนั้นเป็นไม่มีมีโครงสื่อสุภาพแสดงว่า มีบุรบุญมีบุรบ่วงหนึ่งเกี่ยวพันคอทราบบ่วงบาทาคลอผูกไว้ภรรยายี่ยงบ่วงป้อพันผูกใครผลสามบ่วงได้ย่อมสินสงสารสำหรับโรคสนิวาที่ผูกไว้ด้วยเครื่องผูกเป็นอันมากเป็นเครื่องผูกใหญ่เพราะว่าตัดได้แสนยาก เป็นบ่วงที่ผูกไว้หย่อนหย่อนแต่ว่าแก้ได้ยากในคาถาธรรมบทก็มีเรื่องของเครื่องจองจําซึ่งเป็นเครื่องผูกที่หย่อนแต่ว่าแก้ได้ยากนะก็ะได้แก่นี่แหละมีบุตรมีภรรยามีทรัพย์ซึ่งเป็นเครื่องผูกที่หย่อนแต่ว่าแก้ได้ยากนอกจากพระพุทธเจ้าแล้วที่จะแก้ให้ได้ก็ด้วยเครื่องแก้เครื่องผูกก็คือเครื่องแก้อริยมรรคซึ่งเป็นกุญแจนะเป็นเครื่องตัด เครื่องผูกทั้งหลายสําหรับทุจริตก็เป็นเครื่องผูก ด, ด้วยอสุจริตก็เป็นเหตุในการจะพน้นาพจากเครื่องผูกสุจริตจะมีสองก็คือสุจริตที่เป็นวิชาปฏิบัติธรรมไม่เป็นเหตุที่จะทําให้พ้นจากเครื่องผูกคือสงสารแต่ว่า 1, 0, พันจากอพันจากเครื่องผูกขอโทษครับพ้นาาここพจากเครื่องผูกในอบายนะสุจริตที่เป็นวิชาปฏิบัติธรรมนี่ก็พ้นอบายโช่วคราว แต่ว่าสุจริตที่เป็นสัมมาปฏิปทานี้จึงจะเป็นเหตุที่ทำให้พ้นจากเรื่องผูกก็คือสองสารสุจริตสิทธิ์ก็สงเคราะห์ลงในอธิศีลอธีจิตอธิปัญญานั่นแหละโลกสันิวาสเดินไปทางแคบมากมหาสัมภาธะปฏิปนโนคือเดินไปสู่ที่รกเป็นที่รกด้วยราคะรกด้วยโทสะโมหะมานะทิฐิเกเรตทุจริตทั้งหลายนั่นแหละด้วยการเบียดเบียน การเดินทางของกุศลใครอื่นนอกจากเราผู้จะช่วยชี้ทางสว่างให้แก่โลกสันนิวาตนั้นเป็นไม่มีพระองค์ก็ชี้ด้วยสมาธิด้วยปัญญาทั้งที่เป็นโลกีะแล้วก็เป็นโล ก, กุตร ะ, ะรวมทั้งศีลด้วยไตรสิขา น, นก็เป็นหนทางโลกสันนิวาตถูกความกังวลเป็นอันมากผัวพันไว้มหาปริโพเทนะปริบุทตโธปริโพสิบ เป็นเครื่องกังเป็นเครื่องกั้นใหญ่ที่ปิดที่ปกปิดไว้หรือว่าฉาบไว้ด้วยเครื่องฉาบใหญ่ไม่ให้ออกไปจากวัดตัดไปพ่อสิทธิ์อันนี้ก็เป็นเครื่องกั้นของการเจริญสมถะเก้าอย่างนะการนวิปัสสนาอย่างเดียวก็อิทธิอิทธิปริโพโภ์เป็นเครื่องกั้นวิปัสสนานอกนั้นก็ไม่เป็นเครื่องกัน้นแต่ว่าการไม่มีเครื่องกังวลต่างๆก็เป็นสิ่งดีมากนะทั้งอาวาสที่อยู่ญาติพวกพ้องลาบสการะการเดินทางแมกระทั่ทง การเรียนต่างๆเหล่านี้ถ้าไม่มีก็เป็นสิ่งที่ดีแต่ว่าสําหรับวิปัสสนาก็มีการกระทํำบ่อยๆมีการอบรมมีการน้อมไปในการพิจารณาในความเป็นนามเป็นทุกเป็นรูปบ่อยๆก็สามารถที่จะเคยชินแม้กระทั่งการเรียนก็สามารถที่จะเป็นปัจจัยให้เกิดปิติปราโมทย์การฟังธรรม ะ, ะการตรึกธรรมะพวกนี้ก็เป็นภปในวิปัสสนาได้โลกสันนิวาสตกลงไปในเหวใหญ่ มหาปะปะาเตวะปะติโตชื่อว่าเหวปะปาตะเพราะว่าขึ้นได้ยากเหวใหญ่ก็คือคติห้าเหวใหญ่ก็คือชาติชรามรณะเหวใหญ่ก็คืออวิชาอันนำไปสู่พบในสังยุตตนิกายมหาวรรคตั้งการแสดงนะพระพิตรูปหนึ่งก็ไปอพระพิตรายรูปไปกับพระพุทธเจ้านะก็เห็นเหว พรูลถามพระพุทธเจา้าว่าเหวนี้ใหญ่หนอเหวนี้ลึกหนอน่ากลัวมากมีเหวอะไรที่จะลึกที่จะน่ากลัวยิ่งกว่านี้หรือเปล่าพระพุทธเจา้าข้าพระพุทธเจ้าก็ตรัสว่ามีนะอวิชชาเนี่ะเป็นเหวใหญ่เป็นเหวที่ลึกเป็นเหวที่น่ากลัวเพราะว่าอะไรเพราะว่าควา ม, มความไม่รู้ในทุกความไม่รู้ในทุกขตสมุทัยความไม่รู้ในทุกขานิโรธความไม่รู้ในทุกขานิโรธทัานไม่มีปฏิปทานี่แหละพระบุตรเจ้าตรัสว่าเป็นเหวใหญ่นะ ใครอื่นนอกจากเราผู้จะช่วยฉุดโลกสันนิวาสนั้นให้ขึ้นพ้นจากเหวเป็นไม่มีโลกสันนิวาสเดินทางกันดานมากมหากันตารังปฏิปันโนใครอื่นนอกจากเราผู้จะช่วยให้โลกสันิวาสนั้นข้ามพ้นจากทันกันดานจากทางกันดาลได้เป็นไม่มีที่ชื่อว่ากันดานก็เพราะว่าก้าวพ้นแต่ได้โดยยากกันดารห้าอย่างนะกันดาเพระชาติชรามรณะโสกปริเทวะ กันดานห้ามีอะไรบ้างก็กันดานน้ํากันดานทรายกันดานสัตร้ายกันดานอมนุษย์กันดานโจรกันดานโดยพิทุกพิภัยพวกนี้นะเป็นกันดานเพราะว่าก้าวล่วงได้ยากเพราะฉะนั้นก็จะออกจากทางกันดานนั้นก็ต้องเขเรียกว่ากันดานอุดรกันดานอุดรเหนือกันดานนะก็ได้แจกพระนิพพานนั่นเองอ่าเป็นการพ้นจากกันดานอุตระก็คือเหนือหรือว่าพ้นนะ พ้นจากกันดาลก็ได้แก่พระนิพพานนั่นเองตอนนี้เราก็ยัง ก, กาลังอยู่ในกันดาลอยู่นะกันดาล ด, ด้วยชาติชารามรณะโสกกาปริเทวะเพราะฉะนั้นก็ข้ามได้ยากก็พยายามที่จะเตะเกลียดตะกายให้พ้นทางกันดาลเหลังนี้ด้วยอริยามรรคหนึ่งแปโลกสันนิวาสเดินทางไปในสงสารก็คือวัฏใหญ่สังสารวัฏใหญ่มหาสังสาระปฏิปันโนใครอื่นนอกจากเราผู้จะช่วยให้โลกขันนิวาสนั้นพ้นจากสังสารวัฏได้เป็นไม่มี ที่ว่าสังสาระเพราะอะไรเพราะว่าเป็นการสืบต่อกันของขันธาตุอายตนะอ่าโดยที่ไม่ขาดสายนี่แหละอขันธานั้นจะปฏิปาติตัวนี้ก็เมื่อมีการสืบต่อกันของขัน ธ, าธ์าตุอายตนะโดยไม่ขาดสายก็เป็นสังสารท่องเที่ยวไปนะนันก็กลายเป็นสังสารวัตรที่ใหญ่มากเพราะว่าไม่ข้ามพ้นไปได้ ก็คือขันธสันดานที่ยังไม่ขาดสายนั่นเองมีการสืบต่อจากภพนี้ถึงชาติต่ อ, ต, อต่อไปชาติต่อต่อไปไม่มีวันที่สิ้นสุดเลยถ้าไม่ได้มีอริยมรรคเกิดขึ้นมาตัดวัฏตะก็เป็นไปยาวนั้นก็ใครลนะ่ะที่จะช่วยให้พ้อนจากสังสารวัฏไม่ใช่เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ทรงแสดงพระธรรมไว้ดีแล้วนะเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องไปคิดไปคน้นไปแสแวงหาหนทางอะไรเพราะว่า พระพ้าคิดมาให้เสร็จจับเรียบร้อยแล้วเราแค่คิดตามเราแค่น้อมจิตน้อมใจไปตามเท่านั้นแต่ว่าถ้าเกิดไปหาที่อื่นไม่หาในคําสอนก็อาจจะก้าวล่วงเลยไปก็ได้นะโลกสันนิวาสกลิ้งเกลือยอยู่ในหลมใหญ่มหาวิทุกเคมหาวิดุกเคสัมปริวัตติใครอื่นนอกจากเราผู้จะช่วยฉุดโลกสันนิวาตนั้นให้พ้นจากหลมได้เป็นไม่มี ก็กลิ้งเกลือนไปมานะกลับไปกลับมาหนักขึ้ น, นก็จากมนุษย์ไปตัวบาอาจายบาไปเทวโลกจากเทวโลกกลับมาสู่มนุษย์น า, นานจะไปพรมสักทีหนึ่งก็กลับไปกลิ้งไปกลิ้งมาอยู่ในโลกสันติวา่านี่แหละนาที่ชื่อว่าหลมก็คือสงสารเพราะว่าออกไปได้ยากเป็นหลมที่มีายมีโครนดูดแล้วก็มีสิ่งที่เหม็นทั้งโครนทั้งเลียนทั้งสิ่งสกปรกจากเชื้อทับถมกัน แล้วก็ทำให้ดูจมไปตัวอบายฉะนั้นก็นอกจากพระพุทธเจ้าจะช่วยชุดให้พ้นแล้ก็ไม่มีใครสามารถจะให้พ้นจากหลมนี้ไปได้เลยโลกสันิวาติดอยู่ในเปลือกตมอันใหญ่มหาปันเลเปปริปันโนถูกไฟคือราคะไฟคือโทสะไฟคือโมหะเป็นไฟคือชาติชารามรณะโสกะปริเทวะทุกทมนัสอุปายาต ครอบงำไว้ใครอื่นนอกจากเราผู้จะช่วยดับไฟเหล่านั้นให้แก่โลกสันนิวาสนั้นได้เป็นไม่มีแล้วก็ไฟทั้งหลายก็เพราะว่าอัดว่าเผาผลาญ น, นะไฟราคะโทสามโมหะนี่ก็เผารนจิตใจของสัตว์ให้กระวนกระวายแล้วก็ให้ทำกรรมเดือดร้อนเป็นนิดส่วนไฟคือชาติชารามารณะโศกาผลิตเทวทุกทมนัตอุปายาตอันนี้ก็เป็นทั้งวิบากเป็นทั้งผลเป็นอกุศลด้วย อถูกอันตรายทั้งปวงครอบงำไว้เปลือกตมนี้นะครก็นั้นบอกว่าร้อนอยู่บนเครื่องร้อนเป็นอันมากแต่ว่าอีกอันหนึ่งก็บอกว่าติดอยู่ในเปลือกตมอันใหญ่อก็การนี้ชื่อว่าเป็นเปลือกตมนะเพราะทําให้จมลงจมไปไหนล่ะก็ปกติก็จะจมไปในอบายนะ ใครอื่นนอกจากเราผู้จะช่วยดับไฟเหล่านั้นให้แก่สัตว์โลกสันนิวาสให้แก่โลกสันนิวาสนั้นได้เป็นไม่มีเครื่องดับไฟอย่างดีก็คืออาริยมรตเมื่อดับไฟก็คือราคาโทสามอุหาสงบลงแล้วก็จะเหลือแต่ความเย็นก็คือพระนิพานนะนี่โรดก็คือความดับเขาเรียกว่าสีติภูโตอความเย็นโลกสันนิวาตทุรนทุราย อ, นนอุนนิตอุนิตะโกอุนิตะโกทุรนทุราย เดือดร้อนเป็นนิดหันยติไม่มีอะไรต้านทานนิจมัตตาโนต้องรับอาจยาปตะ ด, ดันโทต้องทำตามอาจยาตักกาโอทุรนทุรายตลอดเลยเพราะว่าถูกชาติจับไว้แล้วแล้วก็นำไปเพื่ออันตรายมีชราเป็นต้นจากความทยานเดือดร้อนเป็นนิดนะจากความทยานอยากความยิ่นรนความหิวความกระหายการแสวงหาอาหารแล้วก็ พุทธริตต่างๆนี่ก็ทําให้เดือดร้อนยิ่งรนแล้วก็ไม่มีที่ต้านทานด้วยเพราะว่าถูกบีบคั้นจากกิเลสแล้วก็จากสังขารอันเป็นทุกข์ต้องรับอาชญาจากพระราชาเป็นต้นจากความแก่ความเจ็บแล้วก็ความตายแล้วก็ต้อง ต, ต้องทําตามอาชญา น, นั้นด้วยก็คือต้องเป็นไปตามพระบัญชาคือถ้าถูกลงโทษจากพระราชานี่ก็ช่วยอะไรไม่ได้นะเหมือนกับโจรที่ถูกตัดสินลงโทษนั่นแหละถูกบโบยตีเอาทุรีไปโปรยบนศีรษะ ให้นุงผ้าแดงแล้วก็นําไปนําไปประจานรอบเมืองเสร็จแล้วก็ไปที่ตะแลงแกงนะตัดศรีรษะเราก็เหมือนกันนะตอนนี้ถูกพระราชาลงโทษสังประหารชีวิตแล้วก็คือกรรมนั่นแหละฮันเจ้าชาราก็คอยโบยตีอทําให้จุรนทุรายทําให้เจ็บทําให้ปวดทําให้ทุกข์อ่อนแรงลงในที่สุดก็นําไปที่ตะแลงแกงแล้วก็ตัดทีศัษะเสียโลกสนันนิว่าถูกผูกด้วยเครื่องผูกไว้ในวัตตะ ก็คือราคะโทสะโมหะเป็นต้นวัตตะพันธะนพันโทรปรากฏอยู่ที่ตะแหลงแกงอาคาตะปัจจุปัติโตก็คือเข้าไปปรากฏยังที่ผูกคือมรณะเป็นที่ตัดศีรษะหรือที่แขวนคอเรานี่เตรียมแล้วนะใครอื่นล่ะนอกจากเราผู้จะช่วยโรคสันวาสนั้นให้หลุดพ้นได้เป็นไม่มีก็รอคอยนี่นะว่าถ้าคือพระพุทธเจา้านี่แหละเตรียมช่วยเราอยู่แล้ว ตอนนี้เราก็ต้องเอื้อมมือไปนะไขว้าในการที่นำคำสอนพระพุทธเจ้ามาไว้ในใจแล้วก็น้อมจิตไปในการที่จะปฏิบัติตามนั้นก็คือให้เห็นสำคัญทั้งหลายว่าไม่เทีย่ยงเป็นทุกเป็นอนัตตาให้ได้ในทุกอิริยบทแล้วก็ตลอดสืบเนื่องตลอดการบป็นนิดเนี่ยก็สันนิวาสไม่มีที่พึ่งอนาโถควรได้รับความกรุณาอย่างยิ่งประมากาลุญยั ป, ปัตโตใครจะานาถาเท่ากับขันห้านี่นะ จริงๆแล้วก็ไม่ใช่ใครนะเราเองนั่นแหละเป็นอนาถาแต่พระนิพานนั้นเป็นนาถะนะนิพานนั้นเป็นธรรมะพระพุทธเจ้าเป็นนาถะเป็นนาโถเป็นที่พึ่งคือไม่มีอิสระไม่มีอิสระจากชาติชารามรณะเราไม่เป็นใหญ่ในชาติชารามรณะนะเกิดแก่เจ็บตายที่เราไม่เป็นใหญ่กว่าเขาเราอกเขาต้องเกิดแล้วก็ต้องนำไปสู่ความแก่แล้วนี้สุด ก, ก็ต้องตายเพราะว่าไม่สามารถ ห้ามความแก่ความเจ็บแล้วก็ความตายได้ใครอื่นนอกจากเราจะช่วยต้านทานให้แก่จัตวโลกสันนิวาสนั้นเป็นไม่มีเครื่องต้านทานก็คือพระนิพานพระนิพานนั้นเป็นตา โ, โนเลโนเป็นที่หลีกเลี่นด้วยเป็นสารโนเป็นที่พึ่งด้วยนะโลกสันนิวาตถูกทุกเสียบแทงบีบคั้นมานานทุกขาพิตุนโนจิรรัตติริโต ถูกทุกข์ไม่น้อยมีชาติติทุกข์เป็นต้นเสียบแทงเบียดเบียนให้วันวายยิ่งถูกทุกข์เบียดเบี ย, เบยนยเสียดสีมาตลอดกาลนานแค่ไหนนับสังสารวัตรไม่ทั่วเลยที่เราถูกทุกข์เบียดเบียนมาตลอดแต่เราก็ทนอยู่ได้นะเราที่เป็นนักอดท น, นกันนะแต่ว่าสําหรับผู้ที่ไม่ทนก็คือปริญญาพ่านไปแล้วทําตามคำสอนแล้วก็ข้ามว่ตัดทุกข์นี้ปฏิญญาผ่านไปหมดแล้วแต่ว่าเราก็กําลังเดินทางอยู่นะ ก็ขอให้ประสบความสำเร็จในการเดินทางแต่ว่าต้องไม่ย่อท้อไม่ย่อหย่อนโลกสันนิว่าติดใจกระหายอยู่เป็นนิดนิจจะคัติโตนิจจะปิปาสิโตทั้งติดใจทั้งกระหายเลยนะอยากด้วยความติดใจเหมือนยาเตะติดลองครั้งเดียวก็ติดแล้วยากที่จะเลิกได้อยากกระหายเพื่อจะเดิมนะเพื่อจะบริโภคความกระหายก็คือตัณหาชื่อว่าความกระหายเพราะว่า ไม่มีระหว่างเลยนะหิวตลอดกระหายตลอดหรือว่าถูกผูกไว้ด้วยเครื่องผูกคืออภิชากายกันธะากายกันธะก็มีสี่นะอภิชากายกันธะ อ, อภิยาปาทากายกันธะตริะระพตะปามาสากายกันธะแล้วก็อีทางสัจจาพินิเวสกายกันธะก็เป็นเครื่องผูกผูกไว้ทำให้ไม่สามารถหลุดพ้นไปได้โลกสันนิวาเป็นโลกบอดไม่มีจัตตุ อันโทอะจักคูโกมังสะก็จะมีสองอย่างนะก็คือภาษาท่าจักสุขอโทษมังสะจักสุมังสะเนี่ยขอโทษจักสุนี่มีสองอย่างก็คือมังสะจักสุกับปัญญาจักสุมังสะจักสุมีสองอย่างคือภาษาท่าจักสุอะจักคุปสาสนะกับสัมสะสัมภาระจักสุก็คือดวงตาทั้งลูกนี่แหละอันนี้เป็นตาเนื้อ ส่วนปัญญาจากสูนี้จะมีห้าอย่างก็คือสมานตาจากสูได้แก่สัพพายุตยานของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพุทธจากสูก็ได้แก่อินดริยะประโรปริยติยานกับอาสญานุสยญาญนของพระพุทธเจ้าเหมือนกันาเป็นอาสาธารณญาณ น, นะแล้วก็ญาณจักสูก็ได้แก่ปัญญาในอญาณักสูนี้หมายถึงปัญญาในอรัรตมรรม แล้วก็ทิพยจักรสูก็ได้แก่ตาทิพธรรมจักรสูก็ได้แก่ยานในมรรษาเบื้องต้นนะอนี่ก็เป็นปัญญาแบ่งออกเป็นสองอย่างคือตาเนื้อกับตาปัญญาสัตว์โลกนั้นมีแต่ตาเนื้อนะสัตว์โลกก็มีแต่ตาเนื้อนะเป็นโลกบอดเพราะว่าไม่มีปัญญาจักรสูนั่นเองเพราะฉะนั้นก็พยายามที่จะอบรมปัญญาจักรสูจริงนะซึ่งพระพุทธเจ้าก็ทรงประทานให้นะ เพราะไม่มีจักษุคือปัญญาและเป็นผู้มืดบอดด้วยอวิชชาทําความบอดสนิทโดยไม่รู้อริยสัพพะแต่ว่าสําหรับใครที่เป็นผู้ที่ใ่ที่จะมีตาเขาพยายามน้อมไปในการที่จะรู้ว่าทุกอยู่ที่ไหนสมุทัยละละด้วยหรือยังแล้วก็น้อมใจไปในนิโรธอบรมเจริญอริยมรรคก็จะทําการารักษาดวงตาของตนนะโลคสันิว่ามีในตาเสื่อมไปไม่มีผู้นํา หะตะเนตโตอปรินายโกที่ชื่อว่าเนตก็เพราะว่ามีสภาพนําไปนะก็คือนําอัตภาพให้เห็นที่เสมอและไม่เสมอนําไปตู่ทางดีและไม่ดีด้วยปัญญาฮะท่านเนตที่ก็หมายถึงปัญญาด้วยนะที่ชื่อว่ามีเนตาเสื่อมก็เพราะว่าเสื่อมจากปัญญานั่นเองนะก็เลยเสื่อมจากหนตาเนี่ยแหละไม่มีผู้นําด้วยอาาพยาพระบุรุเจ้ า, รราก็พยายามที่จะนําำนั้นถ้าใครฉลาดพยายามที่จะ ตามพพุทธเจ้าไปนะก็จะทําให้มีปัญญานั่นเองดังนั้นก็ไม่มีผู้นำมีตาก็เหมือนไม่มีเพราะว่าไม่มีผู้อื่นนําเข้าไปได้นํำข่าวไปไดน้นอกจากพระพุทธเจ้านะแต่ก็ต้องยอมให้นําด้วยนะถ้าไม่ยอมให้นําคือไม่นําคําสอนพุทธเจ้ามาไว้ในใจก็ไม่สามารถเดียวไปสู่ทางที่ถูกต้องได้โลกสันนิวาตแล่นไปสู่ทางผิดหลงทางแล้ววิปถังปักขันโตอัญชสาป ร, ะระัตโธ เป็นทางไม่ราบเรียบเดินไปสู่มิจฉาทิฏฐิคือทางผิดเป็นผู้ที่หลงคือพลาดจากทางตรงคือมัชชิมาปฏิบาาัาเเราะฉะนั้นก็พยายามที่จะลงจากทางผิดแล้วก็มาขึ้นทางถูกโดยการนำคาสอนพรเจ้านี่แหละเป็นหนทางเป็นแผนที่ใครอื่นละ่ะนอกจากเราผู้จะช่วยพาโลกสันนิวาสนั้นมาสู่ทางอริยะอริยปถังอาเนตานะนนก็คืออัตถังที่มัตถังทีทงทกมะนั่นเองเป็นไม่มีโลกสันนิวาส แน่นไปสู่ห่วงโมหะ ม, ะมะโหมโหคะปักขันโตใครอื่นนอกจากเราผู้จะช่วยฉุดโลกสันนิวาสนั้นให้ขึ้นจากห่วงโมหะเป็นไม่มีชื่อว่าโอคะเนี่ยเพราะว่ายังสัตว์ผู้ที่มีกิเลสให้จมลงในวัฏฏะชื่อว่ามะโหคะเพราะว่าเป็นโอคะที่ใหญ่ปลาโอคะปกติห่วงน้ําปกตินี่ใหญ่ปานใดก็มีเท่าโอคะสีนะจะเป็นห่วงน้ําแม่น้ําไหนก็แล้วแต่แม่น้ํำคงคายมุนาเป็นสระทั้งเจ็ด ในฮิมพานนั่นก็ไม่ใหญ่เท่ากับโอคะสีแต่ว่าอันนี้ชื่อว่ามโหคะเลยลก็เป็นว่วงน้ําเป็นโอคะที่ใหญ่ยิ่งมากหรือว่าแล่นไปสู่โอคะใหญ่คือสังสารวัตรสังสารวัตนี้ชื่อว่าเป็นโอคะอันใหญ่นะท่วมทับแล้วก็จมลงโลสันนิว่าถูกทิฏฐิสองอย่างกลุ่มรมก็คือสาวสตาทิฏฐิและก็อุเฉธาทิฏฐิซึ่งก็รวมลงใน ทิฏฐิห2สิบสองนั่นแหละทวีหิทิฏฐิคาเตหิปริยุทธิโตก็กลุ่มรุมโดยถึงความปรากฏห้ามกุศลไม่ให้เกิดขึ้นเลยต า, ามีทิฏฐิอันรุนแรงเนี่ยนะนนของเราทั้งหลายก็เป็นผู้ที่มีทิฏฐิอันเบาบางแล้วก็เป็นผู้มีปกติเป็นสมาธิทิฏฐิด้วยจึงมีการน้อมนำไปในการเจริญศีลสมาธิปัญญาน้อมนำในการนยฟังธรรมอบรมเจริญบต่อทุก ป, ประการก็จะ ละคลายทําให้เจ้าทิฏฐิทั้งสองอย่างเนี่ยสัตตทิฏฐิกับอุเฉตทิฏฐินี้หมดสิ้นไปมีรากฐานมาจากสักกายะทิฏฐิมันเองเพราะฉะนั้นการพิจารณาการระลึกรู้การใส่ใจน้อมจิตไปในความเป็นนามเป็นรูปให้รู้เห็นด้วยความเป็นของไม่เทียเป็นทุกเป็นนัอนาตาอยู่เป็นประจำเนี่ยนะก็จะละสัตตะทิฏฐิอุเฉตตะทิฏฐินี้โดยที่รัสักกายะทิฏฐินั้นก่อนได้โลกสันนิวาสปฏิบัติผิดด้วยทุจริตสามอย่าง ตหิตุจริเตหิวิปปติปันโนที่ปฏิบัติผิดนี้ก็เป็นมิจฉาปฏิบัตินะคือน่าเกลียดเป็นสิ่งที่น่าเกลียดนะผิดกุกุเนี่ยวิปปติปันโนนี่ก็ปฏิบัติผิดนะก็เป็นความปฏิบัติผิดในในทุจริตสามกายทุจริตวจีทุจริตแล้วก็มโมทุจริตก็คือเป็นสิบอย่างนั่นเองอากุตตะไกลมาบทสิบนะนะเป็นทุจริตสาม โลกสันนิวาเต็มไปด้วยกิเลสเครื่องประกอบถูกกิเลสเครื่องประกอบสามอย่างประกอบไว้ทูกกิเลสเครื่องประกอบสี่อย่างประกอบไว้นะจะตุหิโยเคหิปุริโตจตุโยคะโยชิตโตก็โยคะนี่มีกําลังอ่อนกว่านะโอคะนั้นมีกําลังกล้าส่วนโยคะนั้นมีกําลังอ่อนกว่าสี่อย่างเหมือนกัน ก็คือการมะโยคะภวะโยคะทิถิโยคะอวิชายาโยคะก็ประกอบไว้ในวัตตะดุดโคผูกนะดุดโคถูกผูกไว้ที่เกวียนนะก็เป็นเครื่องประกอบไว้โอคะก็เป็นท่วงน้ําทําให้จมเป็นเกเรที่มีกําลังกล้าโยคะเป็นจกเรเครื่องประกอบเหมือนกับเป็นเครื่องที่ประกอบไว้มีกําลังอ่อนกว่านะแต่ว่าก็ไม่ยอมให้ออกจากวัตตะนี่แหละ โลสันนิวาทุ ก, กิเลสถูกไว้ด้วยเครื่องผูกสีอย่างจตูหิคันเถหิคันธิตโตคันธะ ก, ก็คือร้อยผูกผู้มีกิเลสไว้ในวัตตะด้วยจุติและก็ปฏิสนธิก็มีอะไรบ้างอภิชากายกคันธาพยาปาทะกายะคันธะแล้วก็ศีระพตะปามาสะกายกคันธะอีดังสัจจาพินิเวสกายะคันธะนะปฏิเสธแม้ แม้แต่ว่าภาสิทธิ์ของพระสัมมาสมัมพุทธเจ้านะะปฏิเสธได้เลยคนที่มีอิดังสัจจะพินิเวศกายยัคขันธะสิ่งนี้จริงสิ่งอื่นเปล่าเนี่ยนะคําสอนของพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าก็ยังสา ม, มารถที่จะปฏิเสธได้บางท่านก็ไม่เชื่ออัตถกาถาเพราะว่าเข้าใจว่าอัตถกาธกานี่เป็นคนรุ่นหลังที่แต่งเติมเสริมขึ้นมานะแต่ความจริงแล้วอัตถกถามีหลายระดับมากแม้พระพุทธพจน์เองก็บางส่วนก็เป็นอัตถกาษนะอย่างเช่นในอภิธรรมก็จะมี พุทธพจน์ที่เป็นส่วนอัตถกถากันอซึ่งในธรรมสังขีนีจะแบ่งออกเป็นสีกันนะจิตตุปาดะกันแล้วก็โรูประการ น, นิเคปการแล้วก็อัตถกถากันอัตถกากันนั่นก็คือพระพุทธพจน์ตัวย่อนั่นเองจะจําแนกเป็นแบบละเอียดแบบปานกลางแบบยอ่อนั้นก็ใครที่บอกว่าอัตถกถานั้นเป็นผู้ที่แต่งเติมขึ้นมาใหม่ก็บางครั้งก็อาจจะเข้าอีดังสัจจาที่นิเวศ ก, กายกันถาก็ได้นะ เพราะว่ามีส่วนของพระพุทธพจน์ก็มีส่วนของพระอาหารหันต์ทั้งหลายที่ ท, ที่ได้อร้อยกรองหรือว่าเรียบเรียงเอาไว้ก็มีเพราะนั้นไม่ใช่เป็นผู้ที่มีใครเขาแต่งขึ้นมาใหม่หมดหรอกต่อไปโลกสันนิวาสถือมั่นด้วยอุปาทานสี่เจตูหิอุปาดาเนหิอุปาดิดยติเพราะว่ายึดถืออย่างแรงคือถือมั่นเอแล้วก็ถือไว้จับ จับไว้มั่นด้วยไม่ยอมปล่อยนะเหมือนกับงูที่รับเขียดไว้วก็ไม่ยอมปล่อยหรอกขนาดไปไล่แต่อะไรนี่ันไม่ยอมปล่อยเลยนะ อ, นอุปาทานสี่นี้ก็ได้แก่ตามุปาทานยึดมั่นในการทิฏฐุปาทานยึดมั่นในทิฏฐิสีแล้วประตูปาทานยึดมั่นในข้อปริบัติที่ไม่ตรงผิดพลาดแล้วก็อัตวารุปราทานยึดมั่นในวาทะที่กล่าวว่าเป็นตนก็คือสกายติฏฐินั่นเอง โลกสันิวาขึ้นสู่คติห้าปัญจะคติสมารุนโหที่ชื่อว่าคติเพราะอัฏว่าไปคือเข้าใกล้ด้วยการทําดีทําชั่วเมื่อทําดีก็ไปสู่ทุกติทําชั่วก็ไปสู่ทุกตินะก็คือขันทั้งหลายพร้อมด้วยอาการพร้อมด้วยการปรากฏนั่นเองก็รกหนึ่งเดราชานหนึ่งปิ ต, ติวิสัยหนึ่งมนุษย์หนึ่งแล้วก็เท ว, วดาหนึ่งเท ว, วดาก็รวมทั้งพรบด้วยนะ คติห้าเราก็ไปถูกคติเหล่านี้แหละอ่ายังจะต้องมีคติไปอีกมากตามใดที่อริยมรรต์จะไม่เกิดนะคติก็ไม่มีที่สิ้นสุดหรอกโลกสันนิวาสกำหนับอยู่ด้วยการมะขุณห้าปัญจหิกามะุนในหิรับชติอ่าก็จ่อมยินดีกำหนับ ด, ด้วยอาโยนิโสมนัสการนั่นแหละความกำหนับนั้นก็เป็นกิเลสกรรมนะอะด้วยตัวแห่งวัตถุ ก, กามนั่นเองกิเลสกามก็ไปยินดี มีอายนิโสนาสการในกามคุณเพราะฉะนั้นก็ต้องทําปริญญาแล้วก็ต้องทําปะหานะโดยการทําปริญญาในวัตถุกาปรปะหานะในกิเลสกรรมนะจึงสามารถที่จะล่วงเลยเจ้าการมคุณ 5, ห้าจากความกําหนัดนี้ได้โลกสันิวาสถูกนนิวรห้าทัดไว้ปัญจหินิวระเนหิโอทัตโตนิวรเนี่ยย่อมกัน้นก็คือครอบงำกิดไว้ทับปิดข้างบน ไม่ให้งอกเงยขึ้นโดยความเป็นกุศลฉังนั้นถ้านิวรห้าท่วมทับเอาไว้แล้วก็ยากนะในการที่จะอบรมจรรคุศลเพว่าเป็นเครื่องกั้นเป็นเครื่องปิดโลกสันิวาสวิวาสจันอยู่ด้วยมูลเหตุวิวาทะหกอย่างวิวาสหกอย่างฉะหิวิวาดะมูลเลหิตวิวัตติมีวาสมูลหกอย่างนะก็คืออะไรว่าก็คืออะไรบ้างอันที่หนึ่งก็คือโกรธโนอุปนาหี คู่เป็นคู่คู่นะหกอย่างความมักโกรธแล้วก็ผูกโกรธไว้อันนี้ก็เป็นมูลเหตุของการวิวาทกันอันนี้สองมักขี่ปนาสีก็คือลบหลู่คุณท่านตีเสมอแข่งดีนะมักขีก็ลบหลู่คุณท่านปราสีก็เป็นความตีเสมอออันที่สามก็อิสุ ก, กีอิสุ ก, กีก็ริษยามัฉรีก็เป็นผู้ที่ตรณีอันที่ 4, สี่ก็สัตโธายถึงโอ้อวด สัโถโอโอดโแล้วก็มายาวีเจ้าเรม่มีมายานะอันที่ห้าก็ปาปิดโฉปรัถนารามกแล้วก็มิชาทิาทิมิฉัิฐิอันที่หกอสันทิฐีปรมาสีรูปครามทิฐิของตนถือมั่นนะทุพปปตินิสักทีก็สละคืนได้ยากนะ หกอย่างนี้เป็นมูลเหตุของการวิวาทกันเพราะฉะนั้นก็สัตว์โลกทั้งหลายก็ตกอยู่ในการทะเลาะวิวาทกันอย่างนี้แหละโกโรธบ้างมัดโกโรธบ้างลบหลู่คุณท่านบ้างตีเสมอแข่งดีบ้างริษยาตรหนีบ้างโอ้อวดมีมายาเจ้าเร่กาถนารามกมีลิขิติแล้วก็ยึดมั่นในความเห็นของตนสระคืนได้ยากก็เป็นเหตุที่ตามให้ปัวพันแล้วก็ไม่ออกสักวต์ตัดได้โลกสันนิวาสกําหนดอยู่ด้วยกองตันหาหกชะหิตันหากาเยหิรัชติ ก็กาหนัดอยู่ด้วยกองตันห า, นาตันหานี่ก็เป็นกองกองเลยนะก็มีหลายในนะตันหาหกนี่กอตันหานกนหกก็ตันหายินดีในรูปเขยมกล่นรถสทตภะก็ได้นะหรือว่าอย่างหนึ่งก็ อ, อธิเมอัตาเออตามีอัตามีอยู่อันนี้ก็เป็นหน้าอกองตันหาเหมือนกันนะ อันนี้เป็นทิฏฐิหกอย่างไม่ใช่ตัณหาขอโทษครับกองตัณหาหกก็คือโรปตัณหาสัตว์ตัณหาคันตัณหารสัตตันหาผลตภาพตัณหาแล้วก็ธรรมตัณหาอันนี้เป็นกองตัณหาหกโลกสันนิว่าถูกทิฏฐิหกกลุ่มรุมแล้วฉะหิทิฏฐิคาเตหิปริยุทธิโตทิฏฐิหกอย่างนี้ก็ได้แก่อธิเมอัตาในพวกสัตสตติฏฐิอาตามีอยู่ นัทที่มีอัตตาอัตตาของเราไม่มีอยู่อันนี้ก็อุเฉททิฏฐินะอัตนาวอัตานางสัญชานาติรู้อัตตาด้วยอัตตาอันนี้ก็ความเห็นผิดอีกอันหนึ่งอัต น, น, น, น, นาวัชนะตานางรู้อนัตตาด้วยอัตตาแล้วก็อนัตนาวอัตานางสัญชานามิรู้อัตตาด้วยอนัตตาสัญญาเป็นอนัตตานะขันศีเป็นอัตตาแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือ อัตตาของเราผู้กล่าวผู้รู้ย่อมสวยวิบาก ข, ของกรรมทั้งดีทั้งชั่วในอารมณ์นั้นๆนั้นก็เป็นความเห็นผิดของบุคค ล, ลต่างๆก็จากทิฏฐิสกายะทิฏฐิก็แยกออกเป็นสองก็คือสัจสตากบอุเชทะจากสัจต้าอุเทสุเชทะก็แยกออกเป็นหกอย่างอย่างเนี้ยนะเรามีอัตตามีอัตตาไม่มีอัตตารู้อนัตตาอนัตตารู้อัตตาอัตตาของเรานี่เป็นผู้รู้ผู้กล่าวเสวยกรรมดีกรรมชั่วอารมณ์ทั้งปวง ก็เป็นความเห็นผิดของพวกที่ช่างคิดช่างเห็นช่างสร้างความเห็นต่างๆนลยนะมันก็ถูกลุ่มลมด้วยทิฐิเหล่านี้แหละโลกสันิวาสร้างไปเพราะอนุสัยเจ็ดสัตตาหิอนุสเยหิอนุสตโตก็กามตาคานุสัยปฏิคานุสัยทิฏฐานุสัยวิจิิขานุสัยมานานุสัยเพราะว่าราคานุสัยแล้วก็อวิชานุสัยอนุสัยเหล่านี้ก็เหมือนกับนอนเนื่องอยู่ในจิตพร้อมจะเกิดได้ตลอดเวลาเมื่อมีปัจจัยนะ จริงๆแล้วก็กล่าวถึงอนุสัยกิเลสที่เป็นอนาคตนั่นแหละเพราะว่ามันมีอุปนิสัยปัจจัยไม่ได้ปัจจัยแล้วมันก็จะเกิดขึ้นแต่ว่าก็รวมกล่าวถึงอนุสัยทั้งอดีตแล้วก็ทั้งปัจจุบันด้วยเพราะว่าสภาวะของอดีตอนาคตปัจจุบันนั้นน่ะอันนั้นก็เป็นเพียงการเท่านั้นแต่ว่าสภาวะนั้นเหมือนกันนะแต่โดยตรงนี้มุ่งหมายถึงกิเลสในอนาคตได้ปัจจัยจึงเกิดขึ้นแล้วก็ยังละไม่ได้ด้วยอริยมรร โลกสันญาว่าถูกสังโยชน์เจ็ดเกี่ยวคล้องไว้สัตตัยหิสัญโยชเชนหิสัญยุตโตนะกิเลสเครื่องผูกนะเจ็ดอย่างก็ได้แก่อะไรบ้างอันที่หนึ่งอนุนยะหมายถึงการมราคะอนุนยะเป็นชื่อหนึ่งของตัณหานะการมราคะอันที่สองปฏิฆะอันที่สามทิฏฐิอันที่สี่วิจิมชา้าอันที่ห้ามานะอันที่หกภวะราคะอันที่เจ็ดก็เป็นอวิชชาสังโยชนนะอันนี้ก็เป็นสังโยชน์เกี่ยวคล้องไว้นะ โลกสันิวาตปูขึ้นเพราะมานะเจ็ดอย่างสัตตะหิมาเนหิอุณโตมานะเจ็ดอย่างก็อะไรบ้างก็เป็นมานะประเภทต่างๆนั่นเองมานะกับความถือตัวอติมานะก็ดูหมิ่นท่านมานาติมานะอันนี้ก็หมายถึงมานะที่ยิ่งกว่ามานะอีกนะมานะอย่างมากเลยอันนี้ถึงกับว่ามันไม่ใช่ดูหมิ่นธรรมดานะเป็นการเหยียดหยามเป็นการยิ่งมานาติมานะนี่มานะยิ่งกว่ามานะ แล้วก็โอมานะมานะใ่ต่ำอธิมานะอันนี้หมายถึงสําคัญผิดในมรรคผลในฌานต่างๆอาสมิมานะกับมานะอธิสําคัญว่าเป็นเรามิฉามานะก็มานะผิดนะมานะในบาปอกุศลต่างๆทุจริตการงานที่ผิดต่างๆก็เอามาสําคัญเป็นมานะก็เรียกว่าเป็นมิฉามานะมานะนี่ก็ล่าได้ด้วยอรหัตธรรมโลกสันิวาสเวียนอยู่เพราะโลกธรรมแปดอัตติโลกธรรมเนหิสัมปริวัติสติ โลกธรรมแตกก็ลาบเสริมราบยศเสือ่อยศนันสน่นินนทานสุขทุกข์ซึ่งก็เป็นสภาพที่ครอบงำสัตว์โลกหมุนไปตามสัตว์โลกสัตว์โลกก็ย่อมหมุนไปตามโลกธรรมเหล่านี้นะพุทธิข้ามโลกธรรมเหล่านี้ได้ก็มีแต่พระอรหันต์เท่านั้นแหละมันก็ถ้ามีการหมั่นนึกฝึกอบรมไใจพิจารณาเวลาที่อารมณ์มากระทบก็แยกออกเป็นสองส่วนคืออิทธารมกับอนิธารมก็น้อมอไปในการพิจารณาหเห็นตามความเป็นจริงว่าอิทธารม์ทั้งหลายเป็นผลของ กรรมดีที่จะให้ผลนะนะทำให้บบาปกุศลนิบาศเกิดขึ้นส่วนอั น, นิีทารมทั้งหลายก็เป็นสิ่งที่กรรมชั่วบันดาลให้ผลทําให้อกุศลนิอกุศลนิบาศเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นก็ให้รู้ว่าเป็นไปตามปัจจัยเป็นไปตามกรรมโลกสัญญาว่าเป็นผูด้ดิ่งลงเพราะมิจฉะตแปดอั ต, อาตาหิมิจฉเตหินิยโตมิจฉะตก็ได้แก่อะไรบ้างาก็ได้แก่มิจฉาทิฏฐิมิจฉาสังกปามิจฉาวาจามิจฉากรรมตามิจฉา อาชีวะมิฉาวายามะมิชาสติมิฉาสมาธิตรงกันข้ามกับสัมมัตตะแปดนั่นเองเป็นความผิดเป็นความชั่วเป็นความเลวที่จะต้องละนะโลกสันิวาประทุสลายการเพราะบุรุษโทษแปดอย่างอัตหิปุริสะโดเสหิรุสติแล้วก็บุรุษโทษแปดอย่างนีอะไรบ้างาถูกโจทย์ด้วยอาบัตย่อมแก้ตัวว่าผมนึกไม่ออก มนข้อหนึ่งนะข้อสองย่อมซัดโจดว่าไม่มีประโยชน์ที่จะพูดกับท่านผู้งโง่ไม่ฉลาดข้อที่สามถูกโจดแล้วก็กลับอาบัตโจดว่าท่านก็ต้องอาบัตเหมือนกันเนี่ยคนนี้ว่ายากิอย่งนั้นเลยนะอยู่ในอนุมานาสูตรก็เป็นอย่างนี้เหมือนกันนะข้อที่สี่ก็ถูกโจดแล้วก็พูดกบเกลือนทาความโกรธโทสะความไม่พอใจให้ปรากฏข้อที่ห้าเมื่อถูกโจดแล้วก็พูดอแข่งแถน อ, อ อันนี้ไมต้องถูกโจดนะแต่ว่าถ้าเป็นพระบุตรอยู่ในถ้ำกลางสงเนี่ยพูดแกว่งแขนท่าำกลางสงไม่เคารพมีกายสมมาจารไม่ดีนะและ้วก็ก้อที่หกไม่เชื่อสงไม่เชื่อโจดเดินออกไปเสียอนะข้อที่เจ็ดคิดว่าเราไม่ต้องอาบัดแล้วก็นิ่งเสียทํำสงให้ลําบากข้อที่แปดกล่าวว่าโทษเออถ้าจะมาวุ่นวายอะไรกับผมนักหนาบัดนี้ผมจะลาติก ข, ขาอยู่แล้วแล้วก็ลาติก ข, ขา่นะกล่าวว่าบัดนี้พวกท่าน จงดีใจเถิดแล้วก็น้อยใจนะลาติขาไปเลยอันนี้เรียกว่าเป็นบุรุษโทษนะเพราะนั้นก็มีอยู่ในหมู่ของท่าทิฐุได้เหมือนกันซึ่งกษัตริเองก็สามารถที่จะมีได้เป็นได้นะั้นถ้าใครไม่ได้อบรมสติไม่ได้อบรมปัญญาไม่ได้อบรมธรรมเชิญยะไม่ได้อบรมภาวนาก็จะสามารถที่จะมีอากุศลเหล่านี้เกิดขึ้นขัดเคืองโกรธเคืองน้อยใจแ ง, ง่งอนต่างๆนะอันนี้ก็จะกลายเป็นบุรุษโทษถ้าเป็นสตรีก็เป็นสตรีโทษนะนะ ต่อไปโลกสันนิวาสมุ่งร้ายกันเพราะอาคาตวัตถุเก้นานวะหิคาอาคาตวัตถุหิอาคาโตอาคาคือความโกรธนั่นเองอาคาตวัตถุเพราะเพราะเราะว่าเป็นวัตถุแห่งความโกรธยิ่งยิ่งขึ้นไปอเป็นความมุ่งร้ายก็คือเป็นการเสรียดสีกันนะอาคาตวัตถุเก้าก้าไปบ้างก็คิดคํานึ่งนะส่วนใหญ่ก็เป็นความคิดที่ไม่ถูกอะคิดว่า เขาเคยทำสิ่งที่ไม่ดีกับเราหรือว่าจะกทำสิ่งที่ไม่ดีกับเราหรือว่ากำลังทำสิ่งที่ไม่ดีกับเราอยู่หรือว่าเขาเคยทำสิ่งที่ไม่ดีกับคนที่เรารักจักทำสิ่งที่ไม่ดีกับคนที่เรารักหรือว่ากำลังทำสิ่งที่ไม่ดีกับคนที่เรารักอยู่หรือว่าเขาเนี่ยนะทำสิ่งที่ดีกับคนที่เราเกลียดอ่าหรือว่าจักทำสิ่งที่ดีกับคนที่เราเกลียดหรือว่ากำลังทำสิ่งที่ดีกับคนที่เราเกลียดนะก็เป็นความคิดเป็นความคันหนึ่งไปไม่ได้มีพิจารณาด้วยเหตุผล ไม่ได้ตั้งจิตเมตตาไว้ก็อาจจะน้อมไปในการที่จะเพ่งโทษทําให้อกุศลเกิก็ประตุบลายตัวเองก่อนนะนะก็อาจจะเป็นปัจจัยทําให้ปัจจุบลายคนอื่นก็อบรมเจริจรญภาวนาไม่ได้นะถ้าเป็นผู้ที่ไม่ตัดใจไม่เป็นผู้ที่มีเมตตาไม่เป็นผู้ที่มีอุเบกขาไม่เจริญพรมวิหารก็อุปโสแระทำอย่างอื่นขั้นภาวนา น, นีก็ไม่ต้องเจริญกันละโลกสัญญาว่าพองขึ้นด้วยมาณนะเก้าอย่างณวิทมาเนหิต อุณหโตก็จะมียาถาวะมานะสามอย่างละได้ด้วยอรัธรมะอะยาถาวะมาะออีกหกอย่างนั่นละได้ด้วยโสดาปฏิมาศนะก็คืออะไรบ้างอตัวเองนี่ต่ำกว่าเขาไปสําคัญว่าเสมอเขาหรือว่าสูงกว่าเขานะหรือว่าสําคัญว่าต่ำกว่าเขาอีกนะต่ำกว่าเขาจริงๆเนี่ยนะสาคัญผิดแล้วก็สําคัญถูกก็ได้ ต่ำว่าเขาจริงๆแล้วก็สําคัญว่าต่ำของเขาจริงๆนี่สําคัญถูกต่ำของเขาไปสําคัญว่าเสมอเขาสําคัญว่าสูงเขานี่สําคัญผิดนะเสมอเขาเป็นสําคัญว่าเสมอเขานี่เรียกว่าสําคัญถูกอมานะสําคัญถูกต้องแต่ว่าเสมอเขาเป็นสําคัญว่าต่ำของเขาหรือว่าสูงว่าเขาอันนี้สําคัญผิดสูงวเขาแต่สําคัญว่าสูงว่าเขานี่สําคัญถูกนะแต่ก็ยังเป็นมานะนะแต่ว่าเป็นสำคัญว่าต่ำของเขาหรือว่าเสมอเขาอันนี้เรียกว่าสําคัญผิดเพราะฉะนั้นถ้า เป็นมานะที่สําคัญถูกนี่ละได้ด้วยอาถตมัชถ้ามานะที่สําคัญผิดละ ด, ด้วยโสดาปฏิมัชมันมานะเรื่อนี้ก็ชอบเปรียบเทียบอชอ บ, อบเอาไปเทียบเคียงนะโลกสันนิวาสกาหนัดอยู่เพราะทำอันมีตัณหาเป็นมูลเก้านวหิตันหามูลเกหิตทำเมหิรัชติตัณหาก็เป็นความกําหนัตแต่ว่าเป็นมูลของธรรมะอีกเก้าอย่างเลยนะก็คือตัณหานี่ยแหละเป็นปัจจัยที้เกิดการสแสวงหา เมื่อแสดงหาก็ทําให้ได้มาก็เรียกว่าไดา้เมื่อได้มาแล้วก็ต้องทําการตกลงใจนะว่าจะเอาไปทําอะไรนะลาบผิวสีเสียงดีรถเปิดสภาพปัจจัย ส, สี่ทรัพย์เงินทอ ง, งต่างเหล่านี้จะเก็บเท่าไรจะใช้เท่าไรจ ะ, จะใช้อะไรบ้างก็ทําการตกลงใจเมื่อมีการตกลงใจก็มีการรักให้เพลิงใจนะมีฉันทราคะกําลังมากขึ้นไม่มีรักให้เพึงใจก็มีการพะวงอัโชสานะก็เตรียมละยึดมั่นคลืนกินแบบสิ้นสําเร็จแบบสิ้นเลนะ ก็ยึดมั่นมากขึ้นเมื่อมีการพวงมีการจําำงมีการพะวงแล้วก็ทําให้มีการยึดถือนะปริฆโคโหยึดมั่นถือมั่นเอาไว้ด้วยหน้าของอุปาทานนั่นเองเมื่อมีการยึดมั่นมีการยึดถือก็ทําให้เกิดการตรณีการตรณีก็จะทําให้มีการคิดป้องกันและอารักขามีการปรากธนาคารมีการป้องกันต่างๆการป้องกันนี่แหละเป็นเหตุที่จะทําให้อกุศลไม่ใช่น้อยเลย มีการถือไม้ถือมีดมีการทะเลาะวิวาทแก่งแย่มีการพูดปดพูดสอเสียดคำหยาบเกิดขึ้นมีการด่ากันว่ามึงมึงอะไรต่างๆเหล่านี้นะอันนี้ก็มีตัณหานั่นแหละเป็นมูลเพราะนั้นถ้าไม่มีตัณหาแล้วก็สิ่งต่างๆเหล่านี้ก็ไม่เกิดนะแล้นก็มีการสละสามารถสละได้ก็ไม่เป็นเหตุทุกข์โทษภัยต่างๆโลกสันนิวาสย่อมเศร้าหมองเพราะกิเลสวัตถุสิบอย่างดัชสหิกิเลสะวัตถุหิกิเลสสติ ก็เ้ามองจากกิเลสสิบอย่างคืออะไรบ้างโลภะโทสะมูหะมานะทิฐิวิจิกิจชาถีนะอุทจจะอเิริกะอนตุตตะปะอันนี้ก็เรียกว่าเป็นวัตถุชื่อวัตถุเพราะว่ากิเลสเป็นที่อยู่ของสัตว์นะผู้มิใช่พระขีนาสพพราะตั้งอยู่ในโลภะเป็นต้นและเป็นที่อยู่ของกิเลสทั้งหลายโดยอนันตระปัจจัยที่ชื่อวัตถุเนี่ยนะวัตถุนี่เพราะเป็นกิเลส เพราะกิเลสเป็นที่อยู่ของสัตว์ฉนั้นเจ้าสิบอย่างนี้เรียกว่ากิเลสวัตถุเป็นที่อยู่ของเพราะกิเลสเป็นที่อยู่ของสัตว์อ <_? S 1> ผู้ไม่ใช่พระกษุนาศบถ้าพระกษุนาศบแล้วไม่มีกิเลสวัตถุเหล่านี้เนาะนั้นกิเลสวัตถุเหล่านี้ก็ทําให้สัตว์เศร้าหมองแล้วก็จมไปสู่อาบายอเมื่อเศร้าหมองแล้วก็ทำอกุศลกรรมนะอกุศลกรรมก็ไม่นําไปที่ตุกติหรอกก็นําไปสู่ที่ทุคติทั้งนั้น อันนี้ก็จะสมควรกับเวลานะให้เวลาแล้วก็ขอให้ท่านทั้งหลายได้รู้จักกับโลกตามความเป็นจริงซึ่ง พ, พระพุทธเจ้าก็ทรงมีพระมหากรุณานะว่าเราเองนั่นแหละคือโลกสันนิวาสหมายถึงหมู่สัตว์ก็คือที่อาศัยของหมูสัตว์กหมายถึงสัตว์นั่นแหละเพราะฉะนั้นก็ทรงกรุณาต่อพวกเรามากพวกเราก็เต็มไปด้วยปัญหามานาทิฐิกิเลสอกุศล ต, ต่างๆก็เป็นที่หน้าการุณาของพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าแต่ว่าเราก็ต้องกรุณาตัวเราเองด้วยนะ โดยการพยายามที่ช่วยเหลือตอนเองให้พ้นจากวัฏตะทุกขโดยการอบรมมัตต์มีองแฝดสิงสมาธิปัญญาก็มีโอกาสในการที่จะพ้นทุกได้ในการไม่เนินช้าข่าหท่านทั้งหลายได้ตั้งรูอ้อริยสัจธรรมตามกคำสอนวิสัมมาสมเจ้าแล้วก็พ้นจากวัฏตะทุกขโดยการไม่เนินช่านี้ด้วยเชิดสาธุสาธุสาธุ